สกนลนครนี่มีพระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุเชิงชุมคือเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของสวัสดสกนลนครนะตามตำนานว่าพระพุทธเจ้าสี่องค์ที่ยจิงพระพุทธบาทสี่รอยะอันเดียวกันพระบุรีเจ้ามาตัดสัลู่ทุกพระองค์นะ่ยกะกุสันโทโกโนาคมาโนกัจโปโคตโมเนี่ยโคตโมเดียเนี้ยอริยเมตไตรอีกองค์หนึ่งเป็นห้าพระตถกับเนี่ยเซตนี้พูด ง, ง่ายๆมีห้าองค์ องนี้อายุพุทธศาสนาน้อยที่สุด 5,000 ปีใกล้แล้วล่ะทุกองค์จะมาประทับรอยเท้าไว้ที่นี่เท้านี่เขาเรียกว่าเชิงเชิงไปว่าตีนนะเชิงเราจะไปเชิงเขาแปลว่าไปไหนตีนเขานะเชิงผ้าถุงแปลว่าตีนผ้าถุงเชิงบาทแปลว่า ตีนบาทนะตีนบาทตีนบาดตีนบา ท, บาทเวลาเอานั้นเอาตีนบาทมาหน่อยเขาพูดนี้กันไปนั่นะอา้าวเชิงบาดพระราชดําเนินมาพูดยากนะเชิงบาทแต่ว่าเขามาชุมนุมรอยเท้าอยู่ที่นี่สี่ลอยแล้วเนี่ยสี่ลอยอยากเห็นไม่รอยพระพุทธเจ้าเป็นยังไงอ่ะท่านมาเหยียบอยู่ในนี่สี่ลอยเหยียบซ้อนๆกันอย่างนี้อ่านะ แต่นั้นถ้าแปลภาษาบาลเราก็รอยพระพรธาตุเชิงชุมนี้ก็ที่ชุมนุมตีนของพระพุทธเจ้าเอไม่ใช่ชุมนุมตีนเราเด้พกเราันกันเลยของเราในสหาบาทานเนีก็จำเป็นรอยพูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยฟ้าผ่ายอดพบก่าหาเงินมูลนัศเสร็จแล้วล่ะถ้าข้างๆด้านหลังพระธาตุเชิงชุมไปทั้งนั้นนะจะมีกาแฟโบราณ เป็นของวัดโสมนัสนะด้านหลังกินฟรีได้ดุยดวยชื่อมันนะแต่ว่าคนเยอะปะนิโรวนตายจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นซะไมจะขาดทุนตายวะ่ะของลูกสาวแม่ติ่นที่ตายเนี่ยคือในพระทัานเชิงชุมเนี่ยมันติดอยู่กับน้องหานพระท่านเชิงชุมเนี่ยพระทัานเชิงชุมสร้างหลังพระทัตพนมพระทัตพนมในพศหก เป็นอาณาจักรสีโคตบุญสีมาจากสิริมุขขัญ น, นั่นแหละคือใจเนี่ยสีสีนคือใจโคตมะปุระอาณาจักรที่สมบูรณ์รุ่งเรืองไปด้วยคําสอนของท่านโคตบูลโคตมะโคตมะปุระคือคําสอนของพระโคดมนั่นแหละเนี่ยอาณาจักรที่มันจเจริญรุ่งเรืองด้วยคําสอนของพระโคดมเรียกว่าอนณาจักรสีโคตบุญ อันนี้มีพระธาตุพนมเป็นภูคำพาเนี่ยแต่พระธาตุเชิงชุมนี้ตั้งอยู่ที่ภูน้ำรอดตรงที่พญานาคค้นน้ำห อ, อกมันจะเป็นรูน้ำลงไปลึกๆแล้วมันจะไปออกที่หนองหานนี่ยแต่ก่อนเขาว่าทิ้งคู่ถังลงในนี้มันจะหายแล้วมันจะไปโผล่นู่นทางสะพังทองแต่ห่างกันนั่นจะนิ่งไปนู่นแต่นี้เขาก็ทําก่อไว้แล้วก็ตัวพญานาคเป่าน้ําอยู่ะ พญานาคพญานาคพญานาคเห็นเนี่ยขนาดงูใหญ่ๆเรามียางกล้ากินเลยเนี่ยทั้งงูพญานาคระดับพญานาคไม่กล้ากินไหมนะมันกลัวที่ซ้ําไปนะมีความเคารพใครไปกินนี่ถือว่าบาปกรรมอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเขาลงข่าววันก่อนๆนนะ่ะว่างูที่เป็นพญานาคเนี่ยมีจริงนะเห็นไหมของเม็กซิโกนะ่ะตัวพญานาคอะมันเป็นงู ที่ชาวนักท่องเที่ยวเขาเดินถ่ายในริมชายหาดเห็นไหมน่าจะเห็นนะในคลิปนะมันก็หอนอันนี้มันจะดิแดงเหมือนกันนะตัวมันจะยาวเมื่ถ่ายส่วนมากมันตายแล้วมาเกยเขาบอกแต่ตัวนี้คืออันนี้เขาถ่ายแบบเขาถ่ายคนถ่ายด้วยถ่ายพญานาคนี้ด้วยแต่หอนมันไม่ยาวเหมือนพญานาคไทยพญานาคไทยเนี่มันโอ้ยแล้วจะปูนปั้นขึ้น ถ้เห็นเนะนี่ยในน้องห่านนี่จะมีเยอะ <S <S อันเนี้ยรูมันก็มีอ่ตัวมันก็มีมันขึ้นอยู่บ่อยๆี่เป็นปลานะปลาพญานะาคแต่ไม่ได้ไหมายว่ามันขึ้นมาทําบ้างไฟอะไรเนะี่ยไม่ใช่นะแต่มันปุดออกมาจากเมืองมันคิดแคว่ามันอยู่ข้างในน้ําอยู่ๆก็มีปุดๆมาก็เลยเอยพญานะาค้าทําบ้างไฟพวกนี้อะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นตดมันก็ได้ปุดขึ้นมาเออ คุณมีหลักฐานอะไรเลยที่ว่าหลวงตาไม่ใช่ที่พูดออกมาเนี่ยเอ้าคุณก็ไม่มีหลักฐานนะในขณะเดียวกันที่คนว่าบ้างไฟมันก็ไม่มีอ่ะเพราะไม่เห็นมันขึ้นมาซื้อกำมะถันไปทําดินปืนดําอะไรแล้วมันจะทำํำมาจากไหนก็ได้แต่สันนิษฐานเนาะอนนันเราไปที่พระธาตุเชิงชุมเนี่ยอาจจะได้เห็นนะพระธาตุเชิงชุมไปไหว้ขอขอกําลังพระธาตุเชิงชุม ตีนพระพุทธเจ้าอยู่อินเดียนีนเก้ามาถึงเนี่ยแสดงว่ามีพลังมากใ น, นการเดินจงกรมเนี่ยเราจะนั้นได้เนี้ยมีที่หนึ่งที่ข้างบนเนี่ยพระธาตุภูเพกพระธาตุภูเพกนี่เขาเรียกว่าดอยแท่นแต่ก่อนเดินขึนเป็นภาษาดินอนี่เขาสร้างประวัติศาสตร์สร้างตำนานซ้ําว่านี่คือที่ท่านพระมหากระส ป, ปะมาพระพุทธเจ้าก่อนตายเนี่ยตำนานรังธาตุธรรมทีว่า เออาแต่พระองค์ผู้เจริญก่อนที่พระเจ้าจบกรินิพนธนะต่อไปศาสนาพุทธเหล่านี้จ ะ, จะเจริญที่ไหนเนี่ยจะตั้งมั่นที่ไหนเน่พระพุทธเจ้าตอบทันทีสกลนครไม่ใช่เลอจ ะ, จะเจริญอยู่ในดินแดนภาคอีสานทางประเทศไทยทางสุวรรณภูมิ เธอเธอเธอมาหาคสปะเธอเป็นพระเทระผู้ใหญ่จงนำพระาธาตุเราเองไปบรรจุไปที่โน้นเพื่อคนได้สักการะในอาณาจักรสีโคตตะบูรณนะที่ภูคำพระธาตุพนมจานี้ไปพอศอหกเขาจะตั้งขึ้นที่นั่นประชาชนในกลุ่มนั้นเขาจะทำอาณาจากักรภูนั้นอาณาจักรอ้ายลาวนะเสร็จแล้ว ทำธุระเสร็จปุ๊บท่านก็เลยเหาะมาโดยทางนภาากาศเข้าละหูตะสัญญาทำกายเบามาลอยเร่รือเปลีวมาทางอากาศแล้วก็มาลอนลงที่ดอยแท่นนี่นะดอยแท่นประทัดภูปมันจะมีแท่นหินมันเป็นเหมือนแท่นองไปลงในนี่ที่นี้เจ้าเมืองนองหานเนี่ยพญาสวรนณพิงคา ทราบข่าวว่าท่านบาฮากสปปะสปะเสด็จมาท่านมีอายุอยู่ร้อยี่สิบปีนะก็เลยรู้ว่าท่านจะมาทางนี้ท่านจะมาพักทางเนี้อ่ะก็เลยสร้างประธาตุภูเพกไว้เตรียมเตรียมขอแบ่งอะ่ะเพราะท่านจะเอาไปบรรจุที่ประธาตุปนมขอแบ่งขอแบ่งหน่อยเธอเพราะมาโอ้ไม่ได้รอกนะ่ะผิดพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนี้ก่อนมรณภาพท่านบอกให้ไปโทนถ้างั้นเอายี้ก็แล้วกันน ข้าพเจ้าขอเอาน้ำเอาน้ำมารดแล้วให้น้ำไหลใส่ ย, ยอดเจดีได้ได้ไหมที่ดีพระธาตุูเพกเนี่ยแตอันนั้นจะเอาไปโน้นก็จริงนะแต่ขอยอดขอน้ำลดเฉยๆท่านหมหาคัศปะก็เออได้ก็ออน้ำมารดล้างใสยย่ยอดเห็นยอดเจดีปูเพกเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่เวลาเราไปพิพิธภัณฑ์รพระธาตนมจะเห็นอยู่ข้างล่างนะลงพ่อแก้ว สมัยพระสัตาร้อยสามท่านมาที่เนี่แล้วท่านก็ท่านมาตรวจข้อสอบนักธรรมเป็นเจ้าคณะเจ้มามัติเด่นก่อนแล้วท่านก็เอากลับไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่ายอดพระาธาตุปูเพกในพิพิธภัณฑ์ท่นพนมนะนั่นก็จะเกี่ยวข้องกันแบบเนี้ยทีนี้พระทาตเชิงชุมก็มีว่าเอออันนั้นเก่าแก่กว่าไม่ใช่กระดูกพระพุทธเจ้านี่แต่เป็นที่ชุมนุมพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทนะแต่ก่อนนั้นก็จะมีว่าพระยศสุวรรณพิงคาระเนี่ย มีมเหสีคงหลายองนะในองค์นั้นก็มีพระนางเจิงเวงนางนารายนารายนารายส่วนมากถือศาสนาแบบนั้นเขาจะมีนารายนี่นางนารายเจิงเวงก็ว่าเอา้าวเขาห้ามผู้หญิงขึ้นอันเนี้ยห้ามผู้หญิงขึ้น นั่นจะมาสักการะมาต้อนรับพระพุทธเจ้าที่นี่ก็ไม่ได้มันสูงอันนี้เขาทําบันไดก่อนนะขึ้นไปนี่ยไม่ไดเสียเวลาเพราะกับการทําบันไดบันไดแล้วก็ต้องเอาหินขึ้นเนี่ยหินขึ้นไปทําสันนิษฐานว่าหินมันไม่ค่อยพอส่วนหนึ่งที่จะขึ้นข้างบนสองก็เกิดจากเป็นโรคมาลาเรียระบาดใค้จับสันเนี่ยมันจะเหมือนผีเข้านะเขาว่าเจ้าที่เจ้าทางไม่ให้คนสมัยก่อนเป็นขนาะมาลาเรียบ้าง บางที่ก็จะผิดข้องมองใจกันระหว่างคนทํางานเลยวันนั้นก็เลยยุติไปไม่ได้ทําต่อทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยในในส่วนที่มันไม่เสร็จเนี่ยก็ต้องมีประวัตินิทานขึ้นมาว่าออนั่งเจิงเวงกับบริวารเขาก็มีอยู่คณะหนึ่งอ่าเป็นเจ้าเมืองน้องหาเนาะเป็นภรยาเนี่ยมาทําที่นี่ไม่ได้ก็ทําอยู่ที่โนูน้นทําที่นูน้นผู้หญิงทําไม่ต้องทําใหญ่นักละทํานน้อย เพื่ออะไรเพรองรับเหมือนกันนะรองรับพระาธาตุนี้เหมือนกันเพื่อจะได้ส่วนแบ่งด้วยเขาเลยเรียกว่าพระาธาตุนารายเจงเวงเราไปนี่จะเห็นหรอกวัดพระาธาตุนารายเจเวงหรือบางทีเขาเรียกพระาธาตุนาเวงเนี่ยบ้านทัานนาเวงเสีย่ยงบ้าทัดนพงกใ ก, ใกล้สนามบินนะจะมีเจดีอันนี้อยู่อยู่ในนั้นนั้นมันเคยจะคู่กับอันนี้ตรงนันเนี่ย ต่อไปก็เป็นพระาธาตุเชิงชุมออกจากพระาธาตุเชิงชุมก็จะมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยเป็นพระกรรมฐานที่ปฏิบัติดีมากมากๆอะ่ะเคยไปจำพรรษาในส่วนกีดดาในในแต่ว่าเป็นพระที่ไม่มีวัดอพระดีไม่มีวัดอยู่แต่ถ้าวัดดีจะไม่มีพระอยู่มันดีเกินอ่ะมันวิเวกสงบสงบัดอ่ะจะไม่ค่อยมีพระอยู่อาศัยพระนี่ส่วนมากโน่น ชอบอจิเลกกะลาบเลยนะดีแต่ทวัดดีๆจะไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่ค่อยมีพระอยู่นั่นท่านเป็นองค์หนึ่งที่ไม่มีแต่พอท่านตายเนี่ยเขากลับบางคนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวว่าเอาไปท่านไปไว้ท่านไม่มีวัดแต่ให้ไปอยู่ท่านใกล้ใกล้อาจารย์ท่านนั่นแหละใกล้ใกล้หลวงปู่มั่นนั่นแ่ะนะพิพิธภัหลวงปู่มั่นไม่ใช่เจดีย์นะเป็ น, นเหมือนเรือนพักเนี่ยมาสกลนครน่าจะได้ไปเห็นเนะ่ พิพิธภัณหลวงปู่มัน่นหลวงปู่หลุยพวกเนี้ยจันด์สารโลพิพิธัณฑ์เยอะนะสกลนครเนี้ยแต่ เ, เฉพาะที่ทางผ่านเนี่ยแต่ไม่ใช่คนเห็นดีจะเห็นงามด้วยนะอันนั้นอันนี้เมื่อวานหลวงตากเล่รับบัตรสนเทศได้รับเอกสารโจมตีหลวงตามหาบัวด้วยพระหลวงปู่บแบนด์ด้วยอะไรด้วยเอนน้เนี่ยมันเจ้าของคนเนี้ยมันทำประจําอะ เดือนหนึ่งมันจะมีมาส่งไปตามสำนักต่างๆอรนี้นเราเรื่องความผิดของพระแบบนั้นแบบนี้ในกรณีปัจจุบันเนี่ยที่กศทชเขาจะเออีกเยเืออีกส3มสิบสามวันเนี่ยจะสั่งยุบสถานีลงตาบวดทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยเขาก่อวอร์ดเรื่องนี้ไม่พอใจะอืบพวกนี้ก็จะเขาก็เคลื่อนไหวอ่ะไม่พอใจ คือควรจะเป็นแบบโน้นเป็นแบบนี้คือดินี้คืออะไรวิทยุชุมชนเขาหยุดสั่งหยุดหมดอันนั้นก็จะสั่งหยุดนะจริงๆเขาว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาพูดเรื่องธรรมะธรรมูเฉยๆเนะี่ยเป็นช่องทางของการเผยแพ ร, ร่ธรรมะธรร ม, มูโดยที่เขาเริ่มจากเสาอากาศว่ามันสูงไว้ถ้าไม่ทำตามให้เวลาไปเท่าไหร่เท่านี้เดือนนะถ้าไม่ยุติถ้าไม่เสาจะให้หยุดเลยนะ ถือว่าผิดกฎหมายนะถอนใบอนุญาตเสร็จป ก, ก็ถือว่าเป็นผู้มีความผิดทันทีทีนี้พระกรรมฐานกลุ่มเขาไม่ยอมงีกเกิดปัญหาอยู่แต่เนี้ยของเราดีหน่อยไม่มีวิทยุยิตยุชมชนอันนั้นเป็นวิทยุไม่ใช่ชุบชนวิทยุธรรมะอันนั้นธรรมะไม่เป็นเรื่องที่ดีนะเราไม่รู้จริงๆนะว่าใครถูกใครผิดใครอะไรเงื่อนไขอะไรยังไงแต่เงื่อนไขอะไรเป็นมัน เันความเคลื่อนไหวแบนี้เขาจะทํำเอกสารว่อนไปตามที่โน่นที่นี่ชี้แจงอันนี้ี้คือหาแนวร่วมเราจะเอากับทางไหนว่มามันนี้นั่นเราไม่เอาทางไหนเราจะเอาทางทุ ด, ดงเขาไม่ไปร่วมอันนี้ก็เส้นทางอันเนี้ยไปตามนี้อาจจะไปสกลนคร น, นี้ก็ได้เนะเออไปที่ที่ลอนตาว่าเนี่ยนิดเด่นหน่อยๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรอให้คน ทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะสามารถซื้อกับข้าวในตลาดได้ด้วยเตรียมของไปทุดงนะนะเฮ้ยจะกินข้าวที่ไหนวะเนี่ยไปกินแล้วแต่จะซื้อเอาน่าจะได้แล้วก็อาจจะเดินในตลาดใครไม่เคยเห็นหนองหานก็จะได้ดูนะหนองหานเป็นหนองน้ำที่ใหญ่ <c oughs> รอสักพักนะ เดินเร็วไหลก็จะหมดเร็วเพราะภูผ่านนี่มันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะเราเดินถ้าเดินจเจเา้จเาเมาเจ้าเมาเจ้าเมานี่ก็สองวันก็จะทะลุอำเภอนาแกนะทางนาครสกลนครเป็นแหล่งคอมมิวนิสต์นะแต่ก่อนนะแต่ว่ากับระเบิดอะไรต่างเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะอันนี้ยไม่เหมือนทางเขาคอทางหินภูล่องกาทางโน้นอันตรายแต่ทางนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีวางกับดักไม่ค่อยมีระเบิด คือเดินได้สะดวกสบายตามป่าตามเขาเนี่ยคือสกุลนครมีอย่างหนึ่งคือวิรยุติเรื่องเกี่ยวกับคำว่าคอมนี้เนี่ยอาศัยพระพูดพอเขาจะเกี่ยวกับพระอยู่ตำดวงตามป่าพอพระพูดหน่อยขอร้องหน่อยเขาเชื่อฟังอะ่ะแต่ทางปากใต้นี่พระพูดไม่ได้พระกลายเป็นฝุน่นทางเหนือก็มีความเชื่อคือถ้าพูดศาสนาอยู่ที่ไหนในการพูดคุยมันจะง่ายขึ้นเนี่ยอย่างหลวงปู่วัน วันที่พิพิธภัณฑ์สังเวชนีสถานสีคอมนิดก็อยู่กับท่านช่วยท่านทำงานบ้างท่านเอาอาหารเข้าไปอาหารให้ทานบ้างอะไรเอาเข้าวบาดไปบ้างแล้วก็ไปเคลื่อนไหวเพราะมันอยู่ลอยต่อจังหวัดเสร็จปุ๊บท่านพูดนั่นพูนี่เกี้ยกล่อมไปมเขาก็เริ่มหายหายไปหายไ ป, ยไปก็หลุดไปโดยธรรมชาติแต่แย่อย่างหนึ่งคือคอมนิดที่มันฆ่าพระองค์หนึ่งที่เป็น เทียดเก่งมากอ่ะท่านแสดงทำเก่งปฏิปทาดีพวกนัคือหลวงพ่อหลวงปู่มหาปิ่นมหาปิ่นยานาพโลนะโดยเอาค้อมูลิศเขาไปยิงแล้วก็ไปเผาอจามหาปิ่นหลวงู่มหาปิ่นกขาหลวงปู่รุ่นรุหลวงปู่ฟันน่นเลนะรุ่นรุหลวงปู่เสงงปุตโสพระอริยคุณาถานะะที่เขาส้วนกว่างเนี่ย คนที่เป็นเลขางานเผาศพหลวงปู่มัน่นนอกนั้นก็คือไม่ปรากฏว่าอะไรเท่าไหร่พระไม่ได้ข่าพระข่ายเจ้าอะไรเท่าไหร่คนที่ยินข่าวนะั้ะตอนพระกรรมฐานทั้งหลายโอ้เขาไม่ค่อยยอมอะไปเห็นศพผูกติดเสารถนั่งเผาพระเนี่ยคือเขาว่าเนพระธุดงเนี่ยเคยเห็นองค์นี้มาหลังจากนั้นถูกโจมตีพระธุรงองค์นี้เขามาในค่ายเราผ่านมาวันนั้นน่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ถูกโจมตีเขาตายเท่านั้นคนเท่นี้คนเขาเลยคิดว่าพระพวกนี้แหละที่เป็นไส้ศึกเนี่ยประมาณนั้นนะ <S <S 1> <S 1> เขาก็เลยจัดการฆ่าส่วนมากเขาจะคิดอย่างนั้นนะส่วนที่อื่นก็ที่จะเดินทางนี้ขอปิดเป็นความลับก่อนนะว่าจะไปที่ไหนอันดับแรกไปที่หากินข้าวก่อ น, อ น, นเอาเตรียมตัวนะ